ภาวานานั่นแบ่งเป็นสองเรื่องเรียกว่าสมถภ า, าวานาและวิปัสนาภาวนาหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าสมถกรมกรมฐานและวิปัสนากรรมฐานสมถกรรมฐานหรือวิปัสนากรรมฐานนั่นเรียกว่าเป็นหลักการที่เราจะเอามาปฏิบัติอันนี้เมื่อปฏิบัติเขาเรียกว่าสมถภ า, าวานา หรือวิปัสนาภาวนาเป็นตัวการกระทำกรร ม, มาฐานนั่นเป็นหลักการเป็นคำสอนถ้าพูดในแง่ธรรมะเรียกว่าเป็นปริยัติเกิเป็นหลักคำสอนเป็นทฤษฎีอ่าเป็นทฤษฎีอยู่เราเอาทฤษฎีนั่นมาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติก็เรียกว่าเราภาวนาภาวนาในเรื่องอะไรภาวนาเป็นด้านสมถะ หรือภาวนาเป็นเรื่องของวิปัสสนา